ภูมิของพระอริยะบุคคลสุท่าวาดหคืออวิหาอตตปา่ส า, ส า, สาสุทธาสสุทธัสีอาการนิฐาพวกนี้เป็นรูปประพรมสุดท่าวาดหเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีมนุษย์ที่สําเร็จอริยะบุคคลขั้นอนาคามีตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมในสุท่าวาดหชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็บำเพ็ญเพียรอยู่นั่น